มีอะไรอยากจะถามไหมยังครับท่านีขเปนี่ดีขึ้นมาเพิ่งมาครั้งแรกนะช่ครับาเคยไปที่วัดไหนบ้างหรือเปล่าเออเคยไปหาหลวงพ่อจมวัดสามสีครั้งสามสี่ครั้เออวันก็ไปทีเลยชวนทบุ้งไปอ่านี่ก็เลยชวนผมมาหาหลวงพ่ออ่ท่านก็เคยอยู่วัดป่าบาตาย อยู่ด้วยกันท่านเป็นรุ่นพี่ท่านบวชก่อนสิบพรรษาพ่อเจ้าค ะ, ะคือหนูอยากจะลดกัญถาพ่อเจ้าค่าว่าหลวงเมื่อว่นเช้าเนี่ยพ่อเจาหนูเจอเรื่องที่สองคือว่ามีบุคคลไม่พอใจในตัวของหล แล้วก็วมาตกหัวเจ้าค่ะอ uh huh. แล้วหนูก็เลยแต่มีธรรมะขอ ง, องที่พระอาจารย์เคยสอนไปสอนมาตลอดว่าคือเคยสอนมาเสนอว่าคนดา่าอย่าคนดา่าคนตี uh huh. คนจังหวะฆ่าเราก็ปล่อยเขา uh huh. ที่นี่หนูได้เจอคือวิชั้นตวนตกหัวอ uh huh. แต่ถ้าจะ้อนกลับไปแต่ก่อนนี่ฉันเขาไม่ยอมหรอกแต่นี้วันนี้ก็ตอบว่าออแต่ในใจไม่โกรธแต่บางครั้งพ่อหนูก็ต้องพูดนิดนึงเจ้าค่ะแต่หนูก็ไม่ได้จะด่าไปว่านะคะ นิดเหนื่อยค่ะหลวงพ่อผิดไหมคือการสอนเขาบั่งนิดหน่อยให้เขาแบบนิดหว่อยอ่ะมันก็ต้องดูกาลเทศะว่าอ่าพูดไปแล้วผลดีหรือผลเสียแต่เขาฟังไม่รเรื่องอ่ะค่ะอ่ะก็พูดไปทำไมเงี้ายหนูพ่อยาพูดเหมือนเชิงเชิงแบบพูดแบบอคือแต่ก่อนถ้าหนูจะพูดหนูก็จะแต่พูดภาษาชาวบ้านไปเลยแต่หนูตอนนียหนูกลับมาพูดแบบว่า ให้มันมีสติขึ้นแล้วกมองฟังหนงฟังแล้วว่าเขาฟังไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งที่เขาทำหรืว่าเขากําลังคิดหรือว่าในใจอาจจะไม่ดีในใจของเขาแต่เขาก็ฟังลงไม่เข้าใจเลยนั่นแหละกาเหมือนพูดกับม้าอ่โอ้สาธุเจ้าค่ะฉะนั้นหลวงพ่อก็เคยสอนว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คืออย่าพูดสติฝาเช่อไหมเจ้าค่ะก็พูดกับม้ามันดีแม่เออเสียน้ําลายปะป๊า ก็พูดมันต้องดูผลที่จะตามมาว่ามันผลดีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีผลดีพูดไปทำไมเสียน้ําลายเปล่างั้นถ้าเกิดหนูยังมีอารมณ์อยู่พูดง่ายๆยังอดยังอยากพูดอยู่ไม่ง่าไม่กิเลยอันนี้ใช่ค่ะจุดประเด็นก็คือจะถามว่าแสดงว่าหนูนี่ก็ยังมีอารมณ์ลึกๆข้างในถ้าไม่มีอารมณ์ก็เฉย่นันเล นอกจากก็ถามว่าตออย่างพระพุทธเจ้าอย่างโอคุลิมาถามว่าพุทธเจ้าท่านหยุดทําไมท่านหยุดเถิดพระเาจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่หยุดยว่าเราไม่หยุดเขา<ม>เขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเราต้องหยุดเซ่เพียแต่ว่ากายหนูไม่พูดแต่ใจหนูยังจิกกับเพื่อบตลอดอใช่ไหมเจ้าคะใจยังไม่มียังไม่มีสมาธิไงมีปัญญาแค่ระดับจินตามยปัญญา แต่รู้ว่ า, ารู้ว่าทุกข์รู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ยังอยากาหยุดความอยากไม่ได้ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ฝึกสมาธิจิตจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงเวลามันเกิดแล้วหยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธินี่พอมีความอยากเกิดขึ้นนี้มันหยุดได้ดังนั้นต้องไปฝึกสมาธิให้มากๆ นั่งทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้ไม่ลอกไม่ชงังไม่กลัวไม่หลงอันนั้นจึงจะเรียกว่าสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งในขณะนั้นจิตจะไม่มีความลักชังกลงัวหลงได้ยินสัมผัสกับอะไรก็เฉยอเบคาใครด่าก็เฉยไขรชมก็เฉย ใครรักก็เฉยใครชังก็เฉยไม่เดือดร้อนนี่คือฐานของจิตเราที่ตั้งของจิตเราคือสมาธิจิตเราถูกกิเลสลากออกมาจากฐานจากความโลภความอยากมันลา ก, กเราออกมาพอจิตเราไม่นิ่งไม่สงบมันก็เกิดความรักชังโกหลงขึ้นมา เวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดรักขึ้นมาชังขึ้นมากลัวขึ้นมาเือหลงขึ้นมาแล้วก็พอเกิดรักชังกลัวหลงก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเจอสิ่งที่รักก็อยากได้ก็เจอสิ่งที่ชังก็อยากจะกำจัดมันอยากจะให้มันหายไปเจอสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็กลัวกลัวตาย กลัวน่นกลัวนี่นกลักวอดกลัวอยากพะหลงไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราอะไรมาสัมผัสกับร่างกายก็คิดว่ามาสัมผัสกับเราเราคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวร่างกายคนตัวคนละตัวกัน ถ้านั่งสมาธิจิตลวมแล้วตัวรู้จะแยกออกจากร่างกายจะรู้นี่คือตัวรู้นั่นคือร่างกายตัวรู้นี่เป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตัวรู้ตัวคิดนี่ก่อนจะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนคิดว่าจะมาที่นี่ก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรต้องคิดก่อนถึงจะทาได้พูดได้ร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เป็นเบา ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวใจนี่แหละที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าใจทําบุญไว้มากกว่าบาปเวลาร่างกายตายไปใจก็จะเป็นเป็นสุขก็จะไปสวรรค์ออถ้าใจทําบาสมากกว่าบุญเวลาตายไปใจจะทุกข์ ก็ไปอบายเนีย่ยผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไปสู่ดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟมาจากอาหารนข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินน้ำเราก็ดื่มเข้ามาก็มาจากน้ำลมหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลม พอไปรวมกันก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นการผสมดินน้ำลมไฟเพื่อมาแปลงให้เป็นผมขนเล็บฟันอีกทีนึงร่างกายเรานี้เป็นเป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตอาการ32โดยเอาธาตุสีนี้เข้าไปเป็น เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะมาสร้างอาการสาสองก็คืออาหารแล้วก็น้ำลมแล้วก็เข้าไปผสมกันแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาทำให้แปลงเป็นผมขนเลนปันส่วนส่วนส่วนของที่เหลือเกินก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจะละเป็นปัสสาวะ แล้วก็เอาเอาของใหม่เขาไปหม่มีกากก า, กากที่เหลืออยู่ก็กถ่ายออกมาส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ถ่ายออกมาส่วนที่ใช้ก็เอาไปเสริมให้อวัยวะต่างๆาจเจริญเติบโตแล้ทำงานต่อไปได้นมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นนะผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรมาจากเนี่ยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มลมที่เราหายใจเข้าออกแล้วก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาเวลามารวมกัน ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมดินน้ำดินผสมน้ำผสมลมก็ทําให้เกิดไฟเหมือนปฏิกิริยาทางเคมีใครเรียนเคมีไหมเวลาเอาเอาดินกับ น, น้ํามาผสมกันก็จะเกิดไฟขึ้นมาด้วยเกิดความร้อนขึ้นมาออพอเราดินน้ําลมมาผสมกันก็เกิดไฟ ลองตีดนกับน้ำผสมมันก็เกิดลมด้วยเกิดกา๊าซขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาอมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของเคมีก็คือธาตุสี่นี่เองเราเรียเราเรียกภาษ า, าโก้หน่อยเรียกเคมีแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าธาตุธาตุทั้งสี่ดินก็ดินก็เหมือนของแข็งธาตุแข็งของแข็งก็ดินน้ำก็ของเหลวอไฟก็ความร้อนเอ แล้วก็อะไรลมก็คือแก๊ดต่างๆในร่างกายนี้มันก็มีแค่นี้ทะธาตุหรือเคมีภาษาภาษาเคมีก็มีออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนผสมกันเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาคาร์บอนมีคาร์บ อ, อ, อนอีกอันน่ก็คือตัวที่มาสร้างร่างกายคือธาตุสี่ธาตุสี่เป็นวัตถุดิบ เราสร้างเป็นร่างกายขึ้นมาใจหลงใจพุมาได้ร่างกายมาครอบครองร่างกายก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเองทั้งก่อนทริงมันก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ก็ผลิตออกมาจากโรงงานแล้วเราก็ไปขับรถใช่ไหมคนขับรถนี่เรารู้เป็นคนละคนใช่ไแต่ใจมาขับร่างกายกับไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอก ความหลงอวิชชาโมหะมันครอบงำจิตใจมีพระพุทธเจ้าคนเดียวนะที่คนสามารถที่จะเห็นได้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เพียงแต่ว่ามันอยู่กันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็เลยทําให้คิดว่ามันเป็นคนเดียวกันเหมือนน้ำกับขวดน้ำเนี่ยนะ นมน้ำน้ำเปล่าใส่ลงไปในขวดใส่ๆเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขย่ามันดูว่าคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่มีน้ำน้ำกับขวดเป็นอันเดียวกันก็คิดว่ารูปร่างของของน้ำก็คือรูปร่างของขวดแต่พอเราเทมันออกมาจากจากขวดถึงจะรู้ว่าเอาน้ำมันเป็นรูปร่างอีกอย่างขวดเป็นรูปร่างอีกอย่างเป็นคนละอย่างกั น, นเวลาเรานั่งสมาธิก็เหมือนเทน้ำออกจากขวด เวลานั่งสมาธิเราดึงจิตออกจากร่างกายร่างกายมาเชื่อมกับจิตผ่านวิญญาณทั้งห้างเนี่ยวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกเลี้นกายเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาก็เรียกว่าจักโขวิญญาณวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณนี่คือตัวเชื่อมระหว่างร่างกายกับใจเวลานั่งสมาธิเราดึงวิญญาณออกจากร่างกาย เราถอนออกไปดึงออกไปใช้พุโทโธดึงดึงเข้าไปดึงออกจากร่างกายดึงเข้าไปในใจในเวลาจิตรวมมันจะไปรวมกันที่ใจ ท, ที่ตัวรู้แล้วตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดทำงานตอนนั้นตอนนั้นตอนที่จิตรวมนีรูปเสียงกลิ่นรสท้ายไปหมดเลยนี่คือการแยกแยกร่างกาย กับใจนะตนที่เข้าสมาธิได้ก็จะเห็นว่าเวลาจิตสงบแล้วไม่ความรับรู้ทางร่างกายหายไปหมดนั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เสกเจ็บไม่รู้เสพปวดตรงไหนเพราะตอนนั้นจิตไม่ได้รับรู้ตัวตัวร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันนั่งอยู่ในท่าไหนามันก็นั่งได้มันเจ็บยังไงมันก็ทนได้ะแต่พอจิตมารับรู้แล้วเกิดว เกิดกิเลสขึ้นมามันมันจะไม่ชอบความเจ็บมันก็เลยทนไม่ได้กับความเจ็บมันก็เลยต้องขยับร่างกายแต่ถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้แยกออกจากร่างกายยังรับรู้อยู่กับร่างกายอุเบกขาที่จะทำให้ใจเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้ แล้วถ้ามีปัญญารู้ว่าเวลาใจทรมานใจทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้ร่างกายหายเจ็บอันนี้คือการตัดสรุปของพระพุทเจ้ารู้ว่าความทุกข์ทรมานของใจเกิดจากความอยากของใจใจอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาใจจะสัน่นใจจะทรมานเป็นเวลาร่างกายเจ็บก็อยากจะให้ความเจ็บหายไปะ ก็เลยเจ็บสอ ง, ส, องส่วนเจ็บที่ร่างกายแล้วก็มาเจ็บที่ใจด้วยแต่ถ้ารู้ว่าความอยากให้ร่างกายหายเจ็บนี้เป็นต้นเหตุของความเจ็บของใจเราหยุดความอยากนี้ได้ใช้สติหยุดใช้โุทโภพุทโธหยุดมันไม่ให้มันคิดพอไม่คิดมันก็อยากไม่ได้ใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ รับรู้เฉยๆแต่ไม่มีไม่มีปฏิกิริยากับความเจ็บของร่างกายที่เรามาฝึกสมาธินี้ก็เพื่อที่จะให้เรามีกําลังที่จะให้รับรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ไปคิดอยากให้มันหายไปหรืออยากให้มันอยู่คนผู้คนที่ไม่มีความสงบในจิตมันจะแกว่งไประหว่างความอยาก สองอย่างนี้อยากให้อยู่หรืออยากให้หายอยากให้อยู่ก็ภาวะตัณหาอยากให้หายก็วิภาวะตัณหาพอเจออะไรดีก็อยากให้อยู่พอเจออะไรไม่ดีก็อยากให้หายก็เลยทุกข์ทั้งๆที่อยู่กับของที่ดีเนี่ยเจอของดีก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้อยู่กลัวจะหายก็ทุกข์แล้วไม่สบายใจแล้วเจอของไม่ดีก็ทุกข์อีกเพราะอยากจะให้หาย มันไม่หายก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเฉยๆทําใจเฉยๆอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันหายใจก็ไม่ทุกข์อยู่กับมันได้เช่นเวทนาเห็นัหเวลานั่งรถเจ็บก็จะเกิดความอยากให้หายอยากจะลุกอยากถ้าไม่มีความอยากจะลุกอยากให้หายก็นั่งต่อไปได้จะไม่รู้สึกทรมานใจที่มันทรมานใจเพราะว่ามันอยาก อยากให้ความเจ็บหายไปด้วยการอยากจะลุกอยากจะลุกเพราะรู้ว่าลุกแล้วมันทำให้ความเจ็บหายไปก็อยากจะลุกพอยังไม่ได้ลุกมันก็ทรมานใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่ได้แล้วก็จะนั่งต่อไปได้จะไม่รู้สึกทรมานใจกับความเจ็บของร่างกายในเวลานั่งไปแล้วเกิดความเจ็บก็พุโทโธพุโทโธไปเลย อย่าไปมองอย่าไปดูความเจ็บยิ่งมองยิ่งเจ็บใหญ่เพราะยิ่งมองยิ่งอยากให้มันหายแต่ถ้าเราไปพุโทโธพูโทโธพูทโทนี่ลืมมันความอยากจะให้มันหายก็เลยหยุดไปมันก็เลยไม่ทรมานมันก็เลยอยู่ความเจ็บได้เวลาเราดูหนังนี่เกิดปวดท้องฉี่บางทียังทนได้เลยเพราะอยากจะดูหนังใจมันเลยไม่ไปดูไอ้ที่ความปวดของท้องมัน ทนตอบดูหนังตอบกลัวเดี๋ยวปลุกไปแล้วเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องเหรือนั่งเล่นไพ่กันนี้บางทีปวดชีก็ยังทนอยู่นั่งหิวข้าวยังไม่รู้สึกหิวเลยเพราะใจมันไ่จดจ่ออยู่กับการทาการเล่นไพ่หรือการดูหนังอยู่แต่ถ้านั่งเฉยๆมไม่มีอะไรดูนี่มันมันทนไม่ได้ดังนั้นก็ต้องทำอะไรใ ห, ให้ให้มันมีอะไรทำเวลาที่มันเกิดความเจ็บขึ้นมา ให้มันท่องพุโทโธไปอย่าให้มันอยู่เฉยเฉยถ้าอยู่เฉยแล้วมันจะอยากให้ความเจ็บหายอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนอระยะบทแต่ถ้าบางังครับให้มันอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันคิดเนี่ยมันลืมลืมความเจ็บไปแล้วความเจ็บจะไม่มาลบกวนความเจ็บมันเท่าเดิมอแต่ไอตัวที่ทรมานมันหายไปตัวเจ็บที่เกิดจากความอยากนี่มันจะหายไป มันมีเจ็บสองชั้นไงเจ็บทางร่างกายอันนี้เราไปทําอะไรไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างตอนนี้หนาวร่างกายก็เจ็บเจ็บเพราะความหนาวเราก็ไปทําอะไรไม่ได้แต่ใจเรานี่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่เราทําได้ถ้ามันทุกข์แล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็อยู่กับความหนาวได้สมัยอยู่ที่บ้านตาเวลาหน า, หนาวๆนี่ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิ พอนอนแล้วมันนอนไม่หลับมันใจมันสัน่นตอนต้นลุกขึ้นมานั่งใหม่ๆก็สัน่นพอเพ่งดูลมไปสักพักหนึ่งพอจิตมันนิ่งปั๊บหายหนาวหายสัน่นคือร่างกายมันก็ยังหนาวอยู่แต่ใจไม่ได้หนาวไปกับร่างกายใจสงบใจหยุดรับรู้ความเจ็บรู้รับรู้ก็ไม่ไปมีความอยากให้มันหายเพราะรู้ว่ามันหายไม่ได้ ไปสั่งให้อากาศมันหายเย็นสั่งไม่ได้ใจอยู่กับมันได้ถ้าใจสงบแล้วอยู่กับอะไรได้อยู่กับความร้อนก็ได้อยู่กับความเย็นก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องปรับอากาศคนที่เขาทําใจได้เขาอยู่กับความร้อนได้อยู่กับความเย็นได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่ต้องกินยาแก้ป่วย เว้า ร, ร, ร่างกายปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นไม่ต้องกินยาที่มันปวดมากมันไม่ใช่ที่ร่างกายที่ใจใจมันทรมานมันอยากจะให้หายปวดมันก็เลยไปต้องหา ไ, ไปหายาแก้ปวดมากินเพื่อระงับความปวดทางร่างกายพอความปวดทางร่างกายถูกระ ง, ง, งับลงความทรมานทางใจก็ระ ง, ล ง, ลง man, ับตาม ไ, ไปด้วยแต่คนที่ที่ระงับความทรมานใจด้วยการใช้สมาธิใช้สติก็ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด พอใจสงบใจเป็นอุเบกขาใจก็อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ความปวดของร่างกายได้<ม>ก็ไม่ต้องไปกินยากินยาระงับความปวดก็ไม่ไปต้องไปติดสมัยนี้คนติดยาแก้ปวดกันเนยอะแล้วก็เป็นแบบดุนแรงด้วยสมัยนี้เพราะยาแก้ปวดมันมีแบบชนิดเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วทีนี้ปวดไม่ปวดมันต้องมันต้องกินยาะนะมันติดยาซะลนะ ออมอฟิ น, ออฟนโอพีเอ็มต้องหาลายเขเรียกโอปิโอไอเี่อตีสารนี่ตอนนี้คนตายกันเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างอื่นตายเพราะติดยาพวกนี้ยาแก้ปวดใจไม่รู้จักวิธีตับตัวเองให้รับกับความปวดของร่างกายเพราะคิดว่ามียาพิเศษพอปวดตรงไหนก็พึ่งยากินยา ทำไปพอเพึ่งยาแล้วก็ไปติดย า, าปวดไม่ปวดที่ก็ต้องกินแล้วต้องกินมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายเพราะยาก็เรียกโอดีนะอันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเวทนาทางร่างกายไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บปวดของทางร่างกายวิธีก็คือต้องทําใจให้ ให้นิ่งให้เฉยเดี๋ยวนี้ฝรั่งยังมาสนใจมานั่งสมาธิกันเยอะแยะเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ทางแพทย์เขาก็รับรับรบองได้ว่าการนั่งสมาธินี้ลดความเครียดได้ความเครียดก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความทุกข์ทางต่างๆอาจจะไม่เป็นความทุกข์ทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เกิดความเครียดขึ้นมาพอไปนั่งสมาธิมันก็ลืมเรื่องนั้นเรื่องราวที่ทำให้เครียดไปชั่วคราวก็เลยลดลดความเครียดลงหมอตรวจดูสุขภาพบอกโอ้สุขภาพดีคนที่ไปนั่งสมาธิอาการต่างๆความรุงเกาะดันลดลงไปหมดนี่แหละจิตมันมีผลกระทบต่อร่างกาย ดัการปฏิบัติธรรมนึงจึงมีกุลประโยชน์แต่ทางศาสนาพูดเราไม่ได้เล็งไปประโยชน์ที่ร่างกายร่างกายหมายถึงว่าไม่ได้ไปเล็งว่าจะดูแลให้มันอยู่ไปนานๆหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายดูแลมันยังไงมันก็ไม่พ้นความแก่เจ็บตายแต่การปฏิบัตินี้เพื่อดูแลจิตใจ ไม่ให้ใจใ จ, ใจต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่เพราะการกลับมามีร่างกายก็เพราะความอยากนี่แหละความอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายคนเราทุกคนเกิดมานี่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขกัน ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปลิ้มรสนมกลิ่นาสายตาหูจมูกเลี้ยงกายเพราะมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ถ, ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนคนติดยาเสพติดน่หงุดหงิดลำคานใจแต่พอได้ไปเสกก็หายอยู่บ้านหงุดหงิดพอได้ออกไปข้างนอกหายหงุดหงิดเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็หงุดหงิดใหม่ เหมืนคนติดบุหรี่ติดสุราเวลาได้สูบบุหรี่ได้ดื่มสุราก็หายหงุดหงิดพอพอทักพักเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องสูบใหม่ต้องดื่มใหม่นี่นี่เป็นความหงุดหงิดนี้เกิดจากความอยากใจไม่สงบใจเลยอยาก พระทธเจ้าสองคนเพระาะว่าเวลาทำใจให้สงบความอยากมันจะหยุดแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขใจที่เกิดจากความสงบคนที่มีความสงบทางใจก็ไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรพวกที่มาบวชเนี่ยเขามาหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบเขาก็เอะไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหมือนกับคนที่ไม่ได้บวชมีกัน คนไม่ได้บวชก็ต้องมีเครื่องดูเครื่องฟังเครื่องกินเครื่องดื่มครบตั้งห้าชนิดครบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าขาดแล้วก็จะไม่มีความสุขแต่คนมาบวชนี้ไม่ต้องใช้เครื่องเครื่องเหล่านี้ไม่ต้องใช้เครื่องเครื่องไว้สำหรับดูฟังอะไรต่างๆเพราะหาความความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง หาความสุขจากการทําใจให้สงบเวลาใจสงบความอยากมันก็สงบไปด้วยความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสมันก็สงบความหงุดหงิดลำคาญใจก็ไม่เกิดอยู่บนเขานี่ไม่มีอะไรอยู่กันได้แต่คนที่เคยอยู่นี่ให้มาคนที่เคยอยู่บ้านมาอยู่งี้อยู่ไม่ได้กี่วันก็ขอกลับบ้านถ้าควบคุมจิตไม่ได้ถ้าควบคุมความอยากไม่ได้มันก็จะทนไม่ไหว ในร่างบวชเขาก็มาหาความสุขด้วยการควบคุมความอยากด้วยการควบคุมความคิดควบคุมใจให้มันสงบอย่าให้มันอยากมันจะไม่อยากก็ต้องไม่คิดพอเราคิดแล้วมันก็จะอยากคิดถึงคนนั้นก็อยากจะเจอคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะได้คิดถึงรูปก็อยากจะดูคิดถึงเสียงก็อยากจะฟัง ถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบแล้วมันก็จะสบายมีความสุขความสุขแบบนี้ดีกว่าเพราะไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกล่้นกายซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสก็พึ่งไม่ได้ไม่แน่นอนบางทีก็พึ่งได้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มี ตาหูจมกูกลิ้นกายบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเดี๋ยวต่อไปก็ตาฟางตาอะไรตามัวร่างกายแก่ลงไปแก่ลงไปสมรรถภาพของตาหูจมกูกลิ้นกายมันก็จะเสื่อมไปตามวัยเต่อไปมันก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้มันก็จะอยู่แบบซึมเศร้าอยู่แบบเศร้าซ่อยอ่อยเองา ถ้าไม่มาถ้าไม่มาวัดไม่มาหาศาสนามันก็จะทรมานคนแก่ถึงต้องเข้าวัดกันเพราะว่าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้นะเลยต้องมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยให้สงบได้ระยะหนึ่งเพราะเวลาที่ฟังก็จะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะสงบในขณะที่ฟัง แล้วถ้าไปฝึกสติไปฝึกนั่งสมาธิก็จะสงบและมีความสุขได้ในขณะที่นั่งสมาธิมันก็จะพอทำให้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการขาดการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันลดน้อยลงทาให้พออยู่อย่างมีความสุขได้ <c oughs> นี่คือเรื่องของการหาความสุข ทางร่างกายเป็นเหมือนกับการหายาเสพติดหาแล้วมันติดได้มาแล้วมันติดมันต้องหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันสิ่งที่หามามันมันให้ความสุขเพียงชั่วคราวไปดูอะไรก็มีความสุขพอเลิกดูมันก็หายไปหมดก็ต้องกลับไปดูใหม่เรื่อยๆกลับไปฟังใหม่เรื่อยๆแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะดูจะฟังมันก็ยังมีอยู่ มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เลยไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่เนี่ ย, ยร่างกายที่พวกเรามีอยู่ขณะนี้มันเป็นร่างกายที่ไม่รู้กี่ระดับลำดับที่เท่าไหร่แล้วเชื่อไหมร่างกายที่เราเคยมีนี่มีมาเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านร่างกายนล้ร่างกายที่เรามีในปัจจุบันนี้เป็นเพียงหนึ่งในร้อยล้านพันล้านร่างกาย like. ที่เรา เคยมีมาเพราะเราเรามีความอยากที่ไม่มีวันหมดที่ตราบไดเราเสพเราทำตามความอยากนี้ความอยากมันจะไม่มีวันหมดมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราเลิกเลิกเลิกใช้ความอยากเท่นั้นเวลาอยากแล้วเราอยากไปทำตามความอยากเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเหมือนคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้ พอเวลาอยากสูบ ก, ก็ไม่สูบอยากดื่มก็ไม่ดืม่มพอฝืนมันไปสักพักหนึ่งมันก็หมดกำลังมันก็จะไม่มาอยากดืม่มอยากสูบอกีกพระพุทธเจ้าก็ฝืนความอยากที่จะใช้ร่างกายที่จะใช้ตาหูจมูกนิ้นกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสฝืนไปจทั้งความอยากหมดพอหมดแล้วเวลาท่านตายไปท่านก็ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่ ก็ไม่ต้องไม่มีความอยากที่ใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเหมือนคนที่เลิกสูบบุหรี่ก็ไม่ต้องไปซื้อบุหรี่มาเสพอันนี้ก็เหมือนกันการที่เรามาเกิดเพราะเรายังติดรูปเสียงกลิ่นรสอยู่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็ต้องมีตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือไว้เสพพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ ไปลอพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่สร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาจิตเราก็ไปเกาะเลยไปจับจองมันมีคิวคิวก็คือบุญกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นตัวให้บัตรหมายเลขของเราว่าเราจะได้คิวหมายเลขที่เท่าไหร่พอถึงคิวเราเราก็จะได้มาได้ร่างกายมาแล้วก็ได้มาเกิดใหม่ พอมาเกิดก็ทําเหมือนที่เราเคยทํำนะเกิดมาปั๊บก็หารูปเสียงกลิ่นรสกันเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมันก็เริ่มคานหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันนอนเฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนมั น, มนซนเพราะตามันอยากจะดูหูมันอยากจะฟังมันก็หาไปเรื่อยๆของมันตามภาษาของมัน <c oughs> นี่แหละตัวนี้แหละที่ทําให้เรามาเกิดกันคือความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรทาให้เราต้องมาเกิดมันมีสามความอยากอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมาเกิดในกามาพบอยากในอยากในภาวะก็ไปเกิดในรูปภพอยากในวิภาวะก็ไปเกิดในอรูปภพมันมีสามภพด้วยกันตามตามความอยากสามชนิด การมาตัณหาก็มาเกิดในภพที่มีตาหูจมูกลิ้นกายให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกภาวะตัณหาก็พวกที่พวกที่ต้องการความสงบที่เกิดจากฌานจากรูปฌานก็เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็พวกที่ต้องการที่จะไปะไปเสพความสุขแบบไม่มีรูปไม่ ก็าเรียกว่าอารูปประชานความสงบที่แบบไม่มีรูปเราตัดสามันนี้ได้ก็ตัดภพชาติได้ตัดตัดตาพภพได้พระอนาคามีตัดตัดกามะตกามะตัณหาได้แต่ยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ยังต้องไปเกิดในรูปภพอารูปภพแต่พอตัด ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในพบอารูปรพบอรมุปรพบก็ไปนิพพานแทนนิพพานก็คือไม่ต้องเกิดแต่ไม่ตายไม่หายไปไหนจิตที่ไม่เกิดนี่ไม่ตายไม่หายไปไหนเปรียบเทียบเหมือนเสื้อผ้าที่ซักแล้วสะอาดหายไปไหนไหมไปแลาเสื้อผ้าไปซักเนี่เสื้อผ้าสะอาด กับเสื้อเสื้อผ้าสาก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสเนี่ยจิตที่ไม่มีความอยากเป็นจิตบริสุทธิ์ตัวจิตไม่ได้หายตัวที่หายก็คือความอยากเวลาไปซักผ้าซัผ้าไม่หาย ต, ตัวที่หายก็คือคราบสบกรปรกต่างๆคนบางคนไม่รู้ที่ว่าไปถึงนิพพานแล้วจะหายไปหมด คำคำสูญคาสูญก็คือสูญจากกิเลสสูญจากว่ า, กางจากกิเลสตัณหาว่างจากกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัวที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดจิตอยู่ จ, ยจิตไม่มีวันตายจิตของของคนมีกิเลสกับจิตของคนไม่มีกิเลสไม่ตายเหมือนกันเหมือนเสื้อผ้าของเสื้อผ้าที่สกรปรกกับเสื้อผ้าที่สะอาดมันก็เป็นเสื้อผ้าตัวเดียวกัน สเปลี่ยนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เนี่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มาปฏิบัติกันเพื่อมาหยุดหยุดความอยากฝืนความอยากการหยุดความอ ย, ย, ยากก็เป็นการชำระใจให้สะอาดไงพอหยุดความอยากได้ความอยากมันก็หมดมันก็หายไปจากใจจะหยุดมาได้ก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาศีลกับศีลกับทานนี้กำลังไม่พอ ใช้สมาธิปัญญาใช้สมาธิปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้อย่างแท้จริงศีลสมาธิเพีงแต่กั้นมันไว้เหมือนกับรู้ว่าไม่ให้มันไม่ให้มันออกไปตล้อมมันเข้ามาเพื่อจะได้กาจัดมันง่ายขึ้นทานนี้ก็หยุดความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญไปทาทาน ใจก็จะหายอยากเที่ยวก็จะเข้าวัดได้เข้าไปถือศีลแปดได้ถ้ายังอยากเที่ยวอยู่ก็ไปไหมเข้าวัดไม่ได้มีเงินก็อยากจะไปเที่ยวเนี่ยปีใหม่ก็จองตั๋วกันแล้วจองที่พักกันแล้วความอยากแต่ถ้าเราตัดความอยากเที่ยวนี้แล้วก็เอาเงินไปเที่ยวไม่ได้ถ้าเอาเงินไปทาบุญก็ไม่มีเงินไปเที่ยวมาอยู่วัดแทน มาวัดมาจองที่พักที่วัดแทนเอาเงินที่จะไปเทีย่ยวมาทําบุญแล้วก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้ถ้ายังเทีย่ยวอยู่ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแมม่าร่างกายกิตก็ยังอยู่หลบไปใช่ไหมครับก็ยังอยู่อยู่อย ต, อตอนที่มีร่างกายก็ยังอยู่กับร่างกายได้แต่ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้ว ไม่ได้ทางก็ไม่ต้องพระไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆเราเน่พระพุทธเจ้าท่านตัดสลุในวันเพ็ญเดือนหกอายุสามสิบห้าปีครับตอนนั้นจิตท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตท่านก็ยังอยู่กับร่างกายแต่ไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้บวชใช้ร่างกายหาความสุขมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีงานเลี้ยงทุกคืนทุกวัน อยู่ในวังอแต่พอมาบวชแล้วก็ได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็เลิอกอยากเลิกความอยากต่างๆได้ก็ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายก็ไม่เคยกลับไปวังกลับไปที่วังอีกต่อไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนี้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนผู้อื่นให้ได้รู้ความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ตรงไหนให้ยให้ให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าอย่างใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยในพระพุทธเจ้าท่านก็จิตของท่านก็ยังอยู่กับร่างกายจนกว่าร่างกายมันจะหมด มันทำหน้าที่ไม่ได้จิตกับร่างกายก็แยกออกจากกันจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ส่งไปหาร่างไปจับจองร่างกายอันใหม่เหมือนคี่เหมือนคนขับรถเนี่ยเราจอพอหลังจากที่สามารถหยุดความอยากไปไหนมาไหนได้ก็ไม่ต้องใช้รถไปไปไหนมาไหนก็รถก็จอดทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยรถพังก็ทิ้งมันไปแต่ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่มาแทนรถเก่า แต่คนที่ยังใช้รถอยู่ยังต้องออกจากบ้านไปไหนมาไหนอยู่พอารถเก่าพังไปก็ต้องไปเปลี่ยนรถใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถที่เราใช้มันไปพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรถพอเราไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรถเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้มีก็ได้มีก็ไม่ได้ใช้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรถพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรถท่านใช้ร่างกายไว้สาหรับสอนคน ท่านแสดงธรรมเวลาสามรอบตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุสามนเณรตอนเดึกสอนเทวดานนี่คือกิจวัตรประจาวันของพระพุทธเจ้าสั่งสอนไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่ไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเพราะท่านมีความสุขที่เกิดจากความไม่มีความอยากเกิดจากความสงบ ที่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายคุณท่านตายไปท่านก็ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ไปเข้าคิวรับร่างกายอันใหม่ความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราไปรับบัดคิวก่อนรับบัดคิวรอรอรับร่างกาย นี่ก็คือเรื่องของของของพระพุทธศาสนาสอนให้เราหายหลงกันหายโง่กันตราบได้ที่เรายังหาความสุขจากร่างกายอยู่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญนี้แสดงว่าเรายังโง่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้หาความสุขที่แท้จริงเราเป็นหาความสุขชั่วคราวหาความสุขปลอมหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ พราะเวลามันหมดไปมันเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้สิ่งที่เราได้มาจะนี่มันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะเสื่อมไปหมดไปเวลามันเสื่อมหรือมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่คนที่สูญเสียสิ่งที่รักไปจึงร้องห่มร้องไห้กันเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเวลา มีสิ่งที่รักก็มีความสุขกันพอสิ่งที่รักจากไปก็ร้องหม่มร้องไห้กันพอสิ่งที่รักไม่เที่ยงเราไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดจะต้องมีการจากกันไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยนี่คือความสุขที่เราหากันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ ทุกคนจึงทุกข์กันบางทีทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เกิดเหตุการณ์เพียงแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องจากกันก็ทุกข์แล้วคิดถึงว่าคนที่เรารู้จักนี้สักวันนึ่งเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ทุกข์กันล่ะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์หนักกว่าเวลาคิดเสอีกเวลาคิดก็ทุกข์ในระดับหนึ่งพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็ ทุกเต็มที่เลยเอร้องโหมร้องไห้ร้องโหกันเลยเพราะว่าความสุขที่เราหามันเป็นความสุขไม่เที่ยงจะเรียกว่านิจังออนัตตาเราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้อแล้วพอมันไม่เที่ยงเราก็ทุกกันพระพุทธเจ้าเลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา เราอยากได้เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขมันสุขต้นแต่มันจะทุกข์ตอนปลายเวลาได้มาเ น, นี่ดีใจกันแล้วเวลาหายไปก็เสียใจกันวุ่นวายกันไม่เคยคิดว่ามันจะต้องจากกันคิดว่าได้อะไรมาแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอด แต่ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดหรอกแม้แต่ร่างกายที่เราได้มานี้ก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดแต่เราไม่เคยคิดกันเราไม่รู้กันว่าเราเป็นใครเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายแต่เรารู้ว่าเราจะตายแต่เราไม่ยอมคิดถึงมั น, มนเราก็เหมือนกับเราไม่ตายกันเพราะเราไม่คิดถึงมันไงเราไม่ยอมคิดคําว่าตายนี่ห้ามเป็นคําที่คําห้ามในในในบ้านในบ้านนี้ห้ามพูดคําว่าตาย เวลาทําให้เราลืมตายกันแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆพอเวลามีใครตายขึ้นมาก็กลายเป็นข่าวข่าวใหญ่ข่าวแปลกประหลาดขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่กลับมองไปเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไปใช่หไหมหนังสือพิมพ์นี่ขายดีไหมเวลามีข่าวคนตายเนี่ย รดชนกันตาย45ศพนี่พาดหัวข่าวกันใหญ่เลยเรื่องธรรมดาคนที่รู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวคนตาย45หรือ 40,000 หรือ 5,000 มันเกิดมาเท่าไหร่มันก็ต้องตายเท่านั้นแหละเกิดมาล้านคนมันก็ต้องตายล้านคนเพราะความตายมันตามมาจากการเกิดไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดสินั่นแหละถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่ตายองค์ตรเจ้าไม่อยากตายท่านก็เลยไม่เกิดท่านหยุดเกิดจะหยุดเกิดก็ต้องหยุดความอยากเพราะการเกิดเกิดจากการมีความอยากที่จะมีร่างกายจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนพาเราไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวกัน พอเราไม่มีความสุขอีกอย่างอื่นเรามีความสุขแบบแล้วรู้จักแต่ความสุขแบบนี้ค่อยหาความสุขแบบนี้มาตลอดก็เลยต้องหาความสุขแบบนี้ต่อไปจนกว่าเราจะมาเจอคนฉลาดที่ไปเจอความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบระงับความอยากพอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุข มีความสุขในตัวเองอก็ไม่ต้องมาเกิดพราะไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีวันสิ้นสุดตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ร่างกายก็เป็นเหมือนบุหรี่มวนหนึ่งนี่แหละพอบุหรี่มวนนี้หมดก็หยิบมวนใหม่มาสูบต่อใช่ไหอ ร่างกายนี้พอตายไปก็ไปเอาร่างกา ย, ายมาใช้ต่อเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบแล้วร่างกายก็เหมือนบุหรี่มวนหนึ่งนี่คนสูบบุหรี่เนี่ยในทีวิตเขาเนี่ยสูบไม่รู้กี่พันมวนใช่ไหมวันละถ้าสูบหนักๆก็วันละร้อยวันละสามสองอประมาณร้อยเออหกสิบเออหกสิบเดือนก็ต้องเท่าไหร่พันแปดครับไปล้ร่างกายเราก็เหมือนกันเนีพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไป เข้าคิวรอรับร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ได้สูบใหม่ได้สูบบุหรี่ใหม่เดี๋ยวพอมันหมดมวนก็ต้องไปเอาเอามวนใหม่มาสูบร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบุหรี่พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ แต่ถ้าเรามาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระคำคำสอนพบกับพระอริยสงสาวบอกท่านก็สอนว่าให้เลิกหาความสุขแบบนี้เถิดมาหาความสุขแบบใหม่แบบที่พระเจ้าหาหาบุรีแบบที่ไม่ต้องไม่มีวันหมดดีกว่าบุรีที่ไม่หมดก็คือเนี่ยนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบตัดความอยากด้วยปัญญาปัญญาจะสอนว่าการทําตามความอยากมันจะพาไปสู่ความทุกข์ในที่สุด มันเป็นสุขเบื้องต้นแต่ทุกเบื้องปลายก็ก็อยาาไปอยากอยไปหาความสุขทางตาหูจมูกป้นกายเลิกเหมือนกับเลิกสูบบุหรี่เนี่ยทำไมคนหนึ่งเลิกสูบบุหรี่เพราะเห็นโทษว่าสูบไปเดี๋ยวตายตายเร็วขึ้นคนที่มีโรคภัยต่างๆนี่ก็ก็เกิดจากสายความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่นี่ที่ทําให้เกิดโรคภัย ทำให้ตายเร็วขึ้นสุราบุรีก่อนที่มีความรู้มีการศึกษาเขาก็เลิกตอนที่เลิกเขาก็ทนหน่อยเวลามันอยากก็ฝืนใจสู้กับความหงุดหงิดลำคาญใจไปพอสักระยะหนึ่งความอยากมันหมดกําลังก็ไม่หายหงุดหงิดหายลำคาญใจก็ไม่ต้องสู้ต่อไปเ ว, เวลาจะเลิกความอยากนี่มันจะทุกข์ทรมาน เคยดูอะไรเนี่ยพอไม่ได้ดูมันจะงดเย็นเคยฟังอะไรแล้วพอไม่ได้ฟังมันจะงดเยินแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราจะทำให้ไม่งดเยิดได้เวลาเกิดความอยากใจงดเยินเราก็พุทโธพุทโธพุทโธทําใจให้สงบพอใจสงบก่อนก็หายงดเยินทุกครั้งที่อยากก็ทำอย่างนี้ไปมันมันก็สามารถที่จะเลิกได้ เรืองความอยากต่างๆได้โดยไม่ทรมานเพราะเรามีเครื่องมือเครื่องมือคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นตัวคอยเตือนว่าอย่าไปทำตามความอยากได้มีคุ้มเสียได้ความสุขน้อยแล้วก็ต้องมาทุกข์เพต้องมาติดเวลาไม่มีมันก็จะทรมานนี่คือเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราคือวิธีหาความสุขแบบใหม่ เลือกเลือกหาความสุขแบบเก่าแล้วก็พอไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดคนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็มีความสุขมากกว่าคนที่เสพเหมือนคนที่ไม่เสพยาเสพติดกับคนที่เสพคนไม่เสพยาเสพติดมีความสุขมากกว่าคนที่เสพเพราะว่าเขาไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์นี่มันก็สุขกว่าแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ความสุขขณะที่เสพยาเสพติด แต่เขาไม่ทุกข์เหมือนคนที่ติดยาเสพติดต้องทุกข์เพราะฉะนั้นระวังระวังติดยาเสพติดกับไม่ติดยาเสพติดคนจะวอาไหนอันไห น, น, นจะดีกว่ากันอั น, นัหนจะสุขกว่ากันอั น, นัหนจะทุกข์น้อยกว่ากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าติดยาแล้วมันก็ทุกข์ไม่ติดมันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้าเราไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบมีความสุข ดัง น, นตอนนี้เราเร า, เรายังยังไม่มีความสุขเพราะว่าเรายังมีความอยากกันอยู่<ม>เราต้องไปกําจัดความอยากทุกชนิดให้หมดไปแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้โดยที่จะมีความจะมีความสุขมากมตอนนี้เราอยู่เฉยๆแล้วมันไม่สุขเพราะามันยังมีความอยากอยู่อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวก็อยากทํานู่นทนํานี่อยากดูนั่นดูนี่ อยากกินนั่นกินนี่อยากเดืมนั่นดื่มนี่แต่ถ้าทำใจให้สงบได้มันจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้หมดแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆได้นี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ความสุขที่เราหากันทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วคราวหามาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่หาใหม่เพื่อจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็ต้องหาไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่มีวันจบ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างที่เราได้มามันจะต้องมันก็ต้องหยุดมัน <c oughs> ต้องหมดไป <c oughs> แล้วพอร่างกายเราหมดเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายมันเป็นเครื่องมือหาความสุขของเรา แต่ถ้าเรามาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขเครื่องมือ น, นี้ไม่มีวันหมดสติสมาธิปัญญามันอยู่ในใจเราอยู่ในใจที่ไม่ตายสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายจึงไม่ต้องมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วมันเป็นภาระถึงแม้จะไม่ใช้มันก็ยังต้องเลี้ยงดูมันอยู่ต้องแบกมันอยู่ มันยังต้องกินต้องอยู่นอกจากขี้เกียจก็ปล่อยให้มันอดตายไปแต่ถ้าผู้คนที่สมมุติคนเกจิต ด, ดีนม่จา่าแต่พอร่างกายเขาอดแอะมีโรคภัยจำต้องตลอดต้องทำตัวไหมก็ถ้าจิต ด, ดีเขาเขาไม่ต้องทำอะไร<ม>เขาปล่อยร่างกาย<ม>จิต ด, ดีก็พระพุทธเจา้าพระสาวองเนี่ยจิต ด, ดีแต่รู้ว่าร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ เ ล, เลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงมันไปเหม <ulously, S 2> <busca S 3> ือนกับเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นร่างกายของท่านเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งท่านไม่ได้เพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านก็เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงไม่ตามมันมันมันไม่มีข้าวกินง่ายมันกินข้าวตามสภาพไปไม่มีไม่สบายถ้าม uh ียาให้มันกินก็หายาให้มันกินไปก็ดูแลมันไปตามปกติแต่จะรู้ว่าจิต ต้องทําอะไรได้จิตที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มันไม่ทําอะไรเกินเหตุเกินผลแต่ถ้ามีความอยากนี่มันจะทําอะไรเกินเหตุเกินผลที่พยายามยืดดึงชีวิตไว้เนี่ยเ อ, อหาเครื่องหายใจมาหายใจหาเครื่องสูบเลือดมาสูบแทนแล้วตัวร่างกายมันก็นอนกระดาษก็แเดว๋วอย่างนี้นทอะไรไม่ได้ไปทํามันทําไม ก็ปล่อยมันไปอยู่ไปตามธรรมชาติของมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยมันต้องไปอยู่ดีช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันก็ไปเร็วหน่อยออครับมันก็ทรมานน้อยหน่อยมัเจ็บเจ็บไม่นานมันเป็นเส้นบางๆนถะ้าถูกว่าแยกวิธีการแพทย์อยู่เจริญขึ้นเออันนี้การรักษาพยาบาลอนนาจารย์พูดถึว่าจิตดีตรงนี้ก็เป็นดุล อ, อันนี้ใน ก, การแพทย์ปัจจุบันจุบันเนี่ยไม่ได้ m องว่าแพทย์ไม่ดีหรือว่าปัจจุบันหลายครั้งจะบอกเขาลี้ยงไข้เขาไม่เชื่ อ, ขอเขาจะพูดในเลงเเป็นการท้าทายาไงท้าทายความสามารถใช่ครับนี้มันมันเรามป็นญาติผู้ใหญ่การพูดเนี่ยท่านเข้าใจเข้าใจยากแช่ในคนจะเป็นน้องเราี่บางครั้งบอกให้ไพ่อแม่เราตามสรรมชาตาจารพูดอย่าไหมบางคนบอกต้องเต็มที่ออก็เลยต้องมีข้อตัวแย้งมันบางครั้งก็ปล่อยเข้าไปเรา คือเรารู้ว่าเรารู้แต่เขาเรารู้ว่าเขาไม่รูああ้พูดไปกับเขาก็เหมือนกับเถียงกับคนตาบอดไม่อยากไปเถียงเนี่ยปล่อยให้คนตาบอดเขาเดินไปชนเสาเดินไปอะไรตามเรื่องของเขาคือที่ผู้อาจารย์ฟังคือผมไม่ได้หมองหมอไม่ไเจ็บจับบอทีหมอก็พยายามใช้เหมืาเลนจ์เขาก็จะทําต่อได้มีทัญหาหรก็ไปได้เงยได้นี่เราก็มองว่าคือตามเลืขาดอนี้ก็เยอะแล้วอย่าอาจารย์พูดถือว่าก็าตามสบายเลยกันแตนี้หมอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบน ชายเขาอพยายามทำให้ให้เรื่อยๆใช่ก็มีหมอบางคนเขาถ้าเขาศึกษาธรรมะเขาก็จะเข้าใจเข้าใจเขาก็จะไม่ไม่ผลักดันเขาก็รักษาไปตามสภาพก็พอไม่ต้องไปผ่าไปทาอะไรให้มันผิดธรรมชาติแต่พวกที่เขาไม่ได้เข้าหาธรรมะนี่เขาจะเหมือนกับว่าเขาจะทำสุดสุดของเขาที่หนึ่งสองสาม ใชคือหมอชาแนลเด็กสองถ้าเป็นหมอที่อยู่โรงพยาบาลเอชนไม่ได้ว่วมวงเงเขอยู่เขาบีภาระว่าต้องหาหรายได้เขาก็จะพยายาม อ, อันนั้นก็มีส่วนกดดันด้วยะอก็เรื่องของทางโลกว่าอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านหึงไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทน่าไปทะเลาะลกับหมอเขาเป็นอยเด็กได้เจอไปอางคือเขาเขาเป็นสึกว่า ยังทำต่อได้ร่างกายต่อแล้วแล้วเขาไม่รู้จักครูบาอาจารย์เขากลับไปมองครูบาอาจารย์เปเหมือนพระงโง่ๆอยู่ในป่าไม่รู้เรื่องรู้เรื่องของร่างกายเขารู้เรื่องร่างกายดีเอะไรประมัดกายหยาบเขาจะมองเขาจัดการได้ใก็ได้ซ้ายขวาได้อครูบาอาจารย์ท่านมองภาพรวมมองว่าทําไปกระทานั้นแหละในทส่วนมันก็เข้าโรงอยู่ดีอ เข้าวลงแบบง่ายๆแล้วเข้าโลงแบบยากครั้นเองมันเล่นๆเบียดผ่อนมีท่านหอมีท่านยากหลายคนใช่หลายคนเอก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของแต่ละคนะก็นแล้วกันอครับอาจารย์คิดว่าตอนนี้หมดช่วงแรกของการสนทนาธรรมก็ขออนุโมทนาให้ผรก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสนทนาต่ออีกช่วงหนึ่ง ยะถาวาริวาหาปูราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังต um ุมหังกิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะอราโสยะทามณิจดีอะระโสยะทาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังหุตาปจายโน จตารโรธ ม, มาวทานติอายุวโนวสุขังภาลางเอ๊ทำไมชีวิตรูปสิงขนานนี้ตอนนี้รูปพยายามจะดึงรูปชายเข้ามาแกไม่ค่อยเข้าวัดใช่าหเป็นเวรกรรมอะไรในีูกแก ตอนนี้แกก็คุมสติไม่ค่อยได้เหมือนกับจะค่าคนค่าคนอยู่อ น, อยนี่ค่ะครับกำลังไม่มีสติไงกําลังรุ่วมหลงเอามาส่งตรงนี้บอกพยายามดึงแกขึ้นม า, าแกก็ลงไปไม่ขึ้นมอย่าไปสนใจเลยปล่อยไปตามบุญตามกรรมเถอะถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยถ้าทําไม่ได้ถ้าทําได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็อ ทำไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีก็อย่าไปทํำมันนะเป็นเรืกรรมอะไรของแกมนกม่ไงแกบอกอยากจะฆ่าผมอยากจะฆ่าก็ไม่เอแกอยากจะทําอะไรก็เรื่องของแกถ้าละห้ามแกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เมีเทอะไรเลยไหนก็ยังถามธรรมาอาจารย์ตะขอนาว่ามาคือหมัผมเป็นสลรวัตรเนี่ยผมก็รูส้สึกว่าเราก็เจอมีเตือน ที่ทําบุญนั่งสมาธิเขาบอกเขาทาบุญนั่งสมาธิแล้วก็เสือศีลแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็มีหลายคนที่พูดแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับว่าคือคิดว่าเราคิดว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยน่าจะอัตราลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าพองเขาเข้าเนี่ยเหมือนกับว่ามีเหมือนว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นว่ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําบุญเยอะเสศีล อก็ดีกับคนโน้นคนนี้อะไอย่างเงี้ยเอก็เลยว่าเอ๊ะทำไมคนที่นั่สมาธิแล้วแทนที่จะตาลดลงกลายเป็นเหมือนตาเพิ่มขึ้นก็พราะเขายังไม่ได้เรียนเรียนจบนอะก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เขายังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิเพื่ออะไรต่อไปถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาก็จะเป็นคนดีนะแต่ถ้ายังไม่จบนี่ก็ยังยังไม่รู้เรื่องดีพอสมควรยังหลงได้อยู่ งั like him, t t e ้คนที hmm. ่ทำบุญน <Heh> ั่งสมาธิไ <mera> ม่ไม่เนี่หมายความว่าเขาทำแล้วสําเร็จเขายังเป็นแบบกําลังฝึกหัดธรรมกันไปอยู่คนที่สําเร็จนี่ต้องเป็นหลวงปู่หลวงตาเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยพวกนี้เขาเขาสําเร็จนะพวกนี้เขาไม่มีอัตตาตัวตนเขาไม่มีอะไรแล้วไม่มีอ่ไม่มีเขเรียกเป็นจิตมานีนั่นแหละทุกคนอะที่ยังถ้ายังจะจะจะ จะบวชจะปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติจะทาหรือไม่ทำยังมีกันทุกคน ค, คนที่ไม่มีก็คือคนที่เรียนจบแล้วบรรลุแล้วเท่านั้นเหมือนหมอเนะ่ะหมอถ้ายังเรียนไม่จบหมอก็ยังรู้แบบงูปลาปาอยู่ถ้าหมอจะไปไปรักษาคนไปรักษาแบบงูปล า, ปาอ่าแต่ถ้าหมอเรียนจบแล้วไปฝึกหัดแล้วเรียบร้อยแล้วที่หมอก็จะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่คุณเห็นเนี่ยเขายังเป็นคนแบบเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งยังเป็นกำลังถ้าเป็นเด็กก็ยังล้มลุกคลุกคานอยู่งั้นอย่าไปหวังว่าเขาจะพอทําบุญทําทานส่บาดคงสงแล้วก็จะเป็นคนดีไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีหรอกมีกันทุกคนแหละเข้าใจไหไมมันไอตัวนี้ฆ่ายากไออัตตาตัวตนเนี่พระอรหันต์เท่านั้นถึงจะฆ่าได้พระโสดาบันพระอริยะสามระดับยังมีอัตตาตัวตนเท่านั้น นะครับ ถ, ถ้าตามแข็งข้ามากบางทีจะช่วยให้ให้ให้เราเขมาสืบสุดที่อาจารย์พูดเองตจลาบอกให้เราหัดทำตัวเป็นปตาตพีททำตัวเหมือนแผ่นดินให้คนเหยียบย่าได้ อ, อย่าไปถือตัวว่าสูงให้ถือตัวว่าต่ำไว้อ่อนน้อมทำตนตวไว้อยู่เรื่อยๆสมมติตัวเองว่าเป็นผาคขี้ริ้ว เป็นเดนอ่าอย่าไปหล ง, ง, ลงว่าเราเป็นหมอเป็นนายกเป็นอะไรเอันนี้อันนพวกนี้มันยิ่งจะทําให้หลงใหญ่อ่ให้ น, นึกอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นแผ่นดินอ่าเราเป็นดินใครจะเหยียบใครจะดูถูกดูแคลนผู้ไม่พอเงี้ยอ่ า, าดินอ่าอ่าให้ทำตัวเป็นเหมือนแผ่นดินปัตตพีนี่อ่ อาจารย์ถ้าสมมตว่าเราเข้ า, ากรรมฐ า, านทางสมาธิจะแบมันจะเป็นแสงสว่างยิ่งแสงสว่างออกแสงสว่างออกแบบนี้ไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่ใช่ความสงบอันนั้นมันเป็นผลข้างเคียงอาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดไม่ต้องไปสนใจมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจนิ่งให้ใจมีความสุขถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็นั่งต่อไปถ้ามันสงบแล้วมันนิ่งแล้วมันจะว่างมันจะมีความสุขมาก เคยเจอค่ะจะเคยเจอแบบว่าร่างกายจะบิดแล้วก็จะตัวจะรอย อ, อันนี้ช่างมันให้รู้ไว้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นผลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติก็แล้วกันบางทีเรานั่งนะเนาะตัวตัวจะขึ้นมันยืดยืดยืดขึ้นไปแล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปตัวไม่ไปถ้าถ้าเรานั่งแล้วไม่มีพุโทโธมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอมันจะไปเราต้องกลับมาหาพุโทโธะ พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปเองพตว่าเราไม่พุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันก็อะไรก็โผล่ขึ้นมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆนั่งต้องมีสติต้องมีพุโทโธกํากับใจแล้วใจจะนิ่งถ้านั่งเราไม่พุโทโธเดี๋ยวมันเป็นยังจะมีแสงบ้างมีนูน่นมีนี่อะไรโผล่ขึ้นมานะดังั้นต้องมีสติเนี่ยที่คนเขนั่งเราเป็นบ้าเพราะไม่มีสติ นั่งแล้วก็นั่งดูว่าอะไรจะเกิดเกิดแล้วก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็หลงไปกับความคิดของตัวเองกลายเป็นคนบ้าไปใ ห, ให้เข้าใจนะเรานั่งนี่ต้องการให้จิตนิ่งสงบให้ว่างไม่มีอะไรเราก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมอยู่เป็นชื่อนั้นอยู่เหมือนเดิมเป็นกินเงินเดือนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่พอนั่งเห็นแสงเห็นอะไรกลายเป็นเทวดาขึ้นมานะไม่ใช่เราไปหลอกตัวเราเองไปคิดตัาเอง นะที่เราหน้ากาับพระอาจารย์มันจะเห็นแบบมูตัวใหญ่ใมันจะโผล่หัวนั่นแหละนะนั่นแหละมบางทีมันรู้ไอยมาถึงแขนเราอ่านั่นแหละจิตแล้วมันสร้างมันขึ้นมามันฉายหนังให้เราดูก็อย่างอ อ, อ, อย่างนี้คนที่ผมถามเขานั่งสมาธิมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยลดตาบร้นแล้วบางคนที่ถ้าเขาศึกษาเขาจะลดไงเขาไม่การแต่ขนสูงขึ้นก็ไม่ท่านสูงบางทีเขาเขาไม่ได้ศึกษาให้ครบรอบเพราะ คนทีป่ปฏิบัติธรรมนี้มีการจะปฏิบัติธรรมนี้เขาสอนให้มีทําบุญอยู่สิบชนิดด้วยกันทําความดีสิบสิบชนิดนั่งสมาธิก็เป็นความดีอย่างหนึง่งทําบุญทําทานก็อย่างหนึง่งรักษาศีลก็อีกอย่างห น, นึ่งคนที่นั่งสมาคนที่มาวัดจริงๆนะเขาจะไม่ทําบาปเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอันนี้ก็เป็น เขาเขสอนว่าเนี่ยบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเขาสอนให้ทําแต่บางทีคนไม่เอาทั้งหมดเนี่ยเลือกเอาบางข้อเลือกปฏิบัติก็เนี่ยไหมมันบางข้อก็ไมเ่เอาความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เอาถ้าต้องไปรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่เอาเพยังถืออัตตาตัวตนอยูเย่เอาแค่ขอให้ทําบุญใส่บาทนั่งสมาธิสองอย่าง สินบางทีก็ไม่เอายังอยากจะโกหกอยู่นี้มันไม่ได้พวกนี้ยังเรีย น, ยนไม่ครบสูตรเขาใจะแบบสูตรนันมีอยู่สิบข้อไปอ่านดูบนสิบประการนี่แหละคือถ้าทำทั้งสิบประการรับรองได้ต้องเป็นคนดีแน่ๆถ้าทําสําเร็จนะระหว่างทํานี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะสําเร็จเวลาทํานี้ยังมีกิเลสอัตตาตัวตนมีอะไรอยู่เยอะแยะที่จะต้องคอยกําจัดมัน ไอ้บุญทั้งสิบประการนี้แหละที่จะบป็นตัวที่จะมากำจัดไอ้ตัวที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปอย่นถ้าคนเขาทำบุญนั่งสมาธิแล้วเขายังมีอะไรกิเลสอยู่ก็อย่าไปแปลกใจเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหักเดินอยู่ยังล่มลุกคุกคานอยู่นะ อย่างคนมาบวชนี่คนเขาเดี๋ยวเขาก็ว่าคุณเนี่ยคนมาบวชเสร็จไปคุณจะไปกินเหล้าอยู่เหมือนเดิมหรือไปเที่ยวผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมย อ, อย่าไปดูคนอื่นเลยดูตัวเราดีกว่าตนเรามาบวชอออันนี้เราก็พูดในฐานะก็เข้าใจทั้งสองฝั่งมากขึ้นเนื่องหละเมื่อก่อนเราก็มองพระในฐานะฐาน ะ, าะของพระลาวาที่มาทําบุญที่วัดเพราะว่าพอเราเป็นพระเองคือผมก็เหมือนได้อาทิตย์กว่าก็ ก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยรู้รู้อ่างั่นแหละมันก็ต้องศึกษาไปดูไปกมันก็จะเห็นภาพกว้างขึ้นไปเรื่อยๆตามปกติเราโต๊ะเจ้าบอกคนเราเนี่ยชอบชอบมองความดีในตัวเองไม่ชอบมองความไม่ดีในตัวเอง แล้วก็ถ้ามองตรงกันคนอื่นก็มองตรงกันข้ามชอบมองความไม่ดีของคนอื่นความดีของคนอื่นมองไม่เห็นความดีเอาตัวท่านบอกว่าความดีของคนอื่นกองเท่าภูเขาก็เหมือนเหมือนผงธุลีเอ่าแต่บางทีเราอย่างเพื่อนนี่พูดถึงนี่เราก็รู้สึกเขาอย่างนี้เหมือนกับว่าเออพอเราความดีเหมือนของเราก็มีเยอะนั่นแหละนั่นแหละพอเราทําไม่ดีนิดหน่อยก็ก็เหมือนโดนจับผิตอย่างงี้นั่นแหละือน นี่ก็ธรรมชาติของกิเลสไงของอัตตาตัวตนชอบเข้าข้างตัวเองน้ำความดีใส่ตนแล้วก็โยนความชัว่วคนก็มันเป็นธรรมชาติของกิเลสเพราะมันยังมีความรักชังอยู่รักตัวเองเกียดคนอืน่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมากเลย ท่านบอกว่าความดีของคนอื่นกองเท่าภูเขาก็เหมือนผงทุลีอความชื่วของคนอื่นแม้เป็นผงทุลีก็กลายเป็นภูเขาขึ้นมาส่วนความชื่วของเราแม้จะกองเท่าภูเขาก็เป็นผงทุลีอความดีของ ม, มันเป็นเพราะว่าคือถ้าเขาไม่ชอบคนนี้เพราะนนี้ทําผีดนิดหนึ่งเขาก็ได้เห็นเป็นเรื่องใหญ่หรือเป่า น oh ั่นแหละเขาเขาชอบนั่นนั่นแหละใช่มองข้ามไปอักติไงมีความรักชังกลัวหลงอยู่คนที่ไม่มีความเที่ยงธรรมอนที่มีความเที่ยงธรรมต้องไม่มีอักติไม่มีรักไม่มีชังแล้วจะเห็นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผิดน้อยก็ว่าผิดน้อยผิดมากก็ว่าผิดมากไปตามความเป็นจริงว่าไปตามเนื้อผ้าคนอย่างนี้หายาก มีแต่ผ้าละหั น, นเนีเออมันมีปวดี๊ยบเอออ่นี้อย่าไปมองคนอื่นเลยมองตัวเราดีกว่ามองคนอื่นมองไปเขาดีชั่วก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเรือชั่วไปตามไปกับเขาดูถ้าจะดูก็ดูเป็นตัวอย่างเป็นเป็นเหมือนกับดูเป็นเพื่อศึกษาขเขาดีอย่างนี้ก็เอาความดีของเขาเนะี่ยมาสอนเราเอ เห็นเขาไม่ดีอย่างนี้ก็อย่าไปทําตามเขาอย่างเงี้ยถ้าจะดูให้ดูแบบนี้อย่าไปดูแบบประนามเขาหรือยกย่องเขาไม่ไป็ีอย่างเียอย่เพื่อนที่เลาให้ฟังเหมือนก็าาา เ, า, า, เาบอกว่าเราเสียหายเงี้ยเขาบอกเออเราก็แนะนำเธอตั้งแต่แบบมันจะเลยเมตตาจิตแม่งนะอะไรเงี้ยเราเราพูดแก่เดียวนะเขาบ้านเราไปว่านเขารุนแรงแบบว่ า, าโอ้โหเรานี่แบบว่าร้ายมากอะไรเงี้ยเ็นประมาณแบบว่าเราเป็นพวก ไม่มีสีไม่ว่าคนถือสีอะไรเงี้ยเราต้ก็เลยงงตัวเองเอ๊ะนี่นี่คนนั่งสมาธิทำไมกันก็นั่นแหละเวลาเราว่าเขาเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนกันเราว่าเขาเวลาเขาว่าเราเขาไม่ได้ว่าเราก็เขาเราก็ไปวงว่าเขาว่าเราบางทีเขาสอนเราเราก็ไปว่าเขาว่าเราเวลาเราสอนเขาเขาก็ว่าเราไปว่าเขาก็พอได้กันทั้งคู่ ดนั้นก่อนที่จะพูดเวลาให้คิดให้ดีก่อนว่าคนเขาจะรับคําพูดของเราได้หรือเปล่า<ม>ถ้าเราไม่ได้ก็อย่าพูดดีกว่าส่วนเขาจะว่าเราก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เรามาห้ามใจเราดีกว่าเราอย่าไปตอบโต้เขาดีกว่าเรื่องมันจะได้ไม่บานปลาย<ม><ม>เขาว่าเราเราก็เฉยแล้วครับผมสาธุแล้วก็จบแล้วก็ผ่านไป อยู่ในโลกนี้มันต้องเจอทั้งสรรเสริญเจอทั้งนินทาเป็นของคู่กันบางทีเราก็เหมือนจะ ม, มันคือเราพยายามจะลดความขัดแยงแ้งระหว่างกันแต่ว่าเมื่อกี้มันก็เมื่อกี้มันก็ยุติ <c oughs> ลดด้วยการยอมหยุดเย็ยนเนี้ยให้ใช้สูตรสามยอรู้จักไหมยอมยอมแพ้ไม่ตอบโต้หยุดหยุดะ นิ่งเสียแล้วใจเราก็เย็เยน็นใจเขาก็จะเย็ยนอขาไม่ถ้ามีก็จะเย็นเขาเขจะบีใช่เดี๋ยวเขาค่อยไปเองอถ้าไปโตตอบก็ยิ่งร้อนใหญ่ยิ่งปะทะกันใหญ่ยิ่งแรงขึ้นไปเรือรเอ่อยๆไม่ยอมอืมเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติครับท่านยิ่งแพ้อยู่ปะทะไม่ยอมแพ้ด้วยกันอ่เห็นว่าถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเราเป็นผู้น้อยกับเขาแล้วกันผู้ใหญ่เข้ามาก็ครับผมครับผมไปอจบ เขาหวังดีเขาเตือนเราเขาสอนเราก็ว่าไปอย่างนั้นมองไปอย่างนั้นจริงจริงถ้าทำงาองก็คล้ายกันคือเขาเขาทำพูดวู่้เดตุผลใครเหผลดีกว่าชนะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีอัตราด้วยกันทุกคนนะอแต่ไม่ได้เลยไม่ผมโคตรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องผมเหตุผลดีกว่าเขาแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็เขาก็เป็ไมิสนใจเหตุผลเราเขาก็คิดว่าเหตุผลก็ถูก ยากา <c oughs> ยากายัง uh huh. มันยากมากแต่ที่จมีมีบุญคุณเขาเยอะอาจจะฟังแต่ถ้าแต่ถ้าเสมอกันยากมากถ้าเสมอกันยากมากยากมากเอาแล้วนะมีอะไรอยากถามไหยเดี๋ยวย้า้ทางบ้านเขาถามเขาส่ง <c oughs> ข้อความเข้ามานะนามีใครข้อความส่งเ ข, ข้า ม, มาคุณข่าวนะคะคำถามจากคุณเจียากค่ะทําอย่างไรสติจะทันปัญญาได้ตลอดเวลาคะ <c oughs> สติไม่ได้มันทันปัญญาสติมาทันกิเลสสตินี่เราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเื่อตาขึ้นมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดไว้เพราะกิเลสมันใช้ความคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะคุมกิเลสได้ยั้นเราต้องหมั่นพยายามพุโทโธพุโทโธอย่าให้คิดควบคุมความคิดให้ได้สั่งให้มันหยุดคิดให้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการ พอิเลสโผลขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าเป็นกิเลสเราก็หยุดคิดเสียกิเลสมันก็จะหยุดตามไปคำถามต่อไปนะคะถ้าอยากไปนิพพานแต่ยังติดที่ยังสงสารสัตว์โลกควรจะทำอย่างไรคะอะมันก็เหมือนอยากจะไปเชียงใหม่แต่ยังติดอยู่ที่สงขาอยู่จะไปได้ยังไงนะ่ะคำ ถ, ถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่นะคะจากกรุงเทพค่ะ เวลาที่หนูเดินภาวนาเรื่อยๆไปซื้อของแถวบ้านหนูจะอารมณ์ดีจิตเป็นสุขยิ้มง่ายใจมีความเมตตากับคนรอบข้างพอออกจากสมาธิแล้วเห็นชัดเลยว่าความเมตตาในจิตหายไปหนูควรทำอย่างไรเพื่อรักษาเมตตาจิตนั้นได้ทั้งวันปกติเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้เท่าไหร่ค่ะก็ออกจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้สติควบคุมรักษาสมาธิไว้ต่อไปพุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้คิดพอคิดแล้วเดี๋ยวความรักช่งโกงหลมงมันจะออกมาคำ ถ, ถามจากคุณจิรชยาขอคําแนะนําจากท่านช่วยสอนวิธีให้โยมบอกให้แม่ลดความโกรธหรือความไม่ชอบที่ฝังในใจให้หายหน่อยค่ะ อ, อ๋อเราต้องทําให้ของเราให้หายก่อนแล้วค่อยไปสอนแม่ของเรายังไม่หายอย่าเพิ่งไปสอนแม่เลย เ, ออเรายัง ทำตัวเราให้หายไม่ได้แล้วเราไปทําให้คนอื่นหายได้ยังไงอยู mm hmm. ่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนใครเลยตอนที่ท่านยังมีมีความรักชังกลัวหลวงอยู่ mm hmm. พอท่านกําจัดได้หมดแล้วท่านถึงไปสอนคนอื่นและคนที่ท่านจะสอนก็สอนเฉพาะคนที่อยากจะให้สอนคนที่ไม่อยากให้สอนก็ไม่สอน mm hmm. เพราะสอนไม่ได้เขาไม่ยอมฟังเรื่ไปสอนก็ทําไม mm hmm. ถ้าแม่ไม่อยากจะฟังเราก็อย่าไปสอน เ, เสียเวลาเปล่ า, า mm hmm. หนูงตาบอกเหมือน เทน้ำใส่หลังหมาเห็นมไหมเคยเทน้ําใส่หลังหมาไหมคัำถามจากคุณอดิสรการใช้ปัญญาดําเนินชีวิตให้ชีวิตเจริญแบบทางโลกปัญญาตัวนี้หาได้จากสมาธิได้อย่างไรครับคือถ้าจิตสงบแล้วใจจะเป็นกลางไงใจจะเป็นเหตุเป็นผละ คิดอะไรก็คิดไปด้วยตามเหตุตามผลไม่ได้ตามอารมณ์ตามการค้าขายมันก็จะคิดตามอาตามเหตุตามผลว่าลงทุนอย่างนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นอารมณ์มันจะไม่ได้มองความปลอดภัยมันจะมองว่าได้มากได้น้อยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยไม่ไม่สนใจแล้วอะไรที่ได้มากมันมันก็ต้องเสีย <c oughs> เส่ยงมากเสี่ยงมากมันก็มีโอกาสที่จะเจ๊งได้ง่ายกว่า แต่ถ้าคนที่มีเหตุมีผลเขาเห็นว่าถ้ามันเสี่ยงมากก็ไม่เอาดีกว่าเ <c oughs> ช่นฝากดอกเบี้ยแค่ร้อยละหนึ่งจุดห้าดีกว่าไปเสี่ยงซื้อหุ้นได้สามสามหรือสี่หรือห้าหรือหก <c oughs> เดี๋ยวเกิดเกิดไปเจอหุ้นขยะเข้าก็ซวยอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> คนที่เขามีเหตุมีผลเขาจะไม่เสี่ยงเ <c oughs> ขาจะไม่โลกไงคนที่ม <c oughs> ีเหตุมีผลคนที่มีสมาธิจิตเขามีความสุขเขาไม่โลกเขาทําอะไรก็ทําด้วยเหตุด้วยผล นั่นเรียกว่าปัญญาปัญญาคือการคิดการกระทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยอารมณ์คำถามชักคุณนะ้าถ้าเราถูกเอาเปรียบทําอย่างไรดีครับก็ให้ก็เเปรียบไปสิเป็นเราห้ามเขาได้หรือเปล่านะถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยก็เอาเปรียบไปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกนีได้ก็หนีก็เท่านั้นนะแต่อย่าไปทำอะไรเขามันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาป่เปล่า ถามจากคุณปริญญาตั้งใจทํางานตั้งใจจะเปิดร้านขายข้าวเป็นกิเลสมากไหมครับถ้าทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เป็นกิเลสละมันเป็นความจําเป็นพ้ายังต้องไปบิณฑบาดเลย <c oughs> แต่อย่าอย่าทำมากกว่านั้นอย่าทําเพื่ออยากให้ร่ำให้รวยเพื่อจะได้เงินไปเที่ยวไปกินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างนั้นถึงจะเป็นกิเลสแต่ทําทเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพื่อเป็นอัตตาเหิอัตโนนาเถอไม่ไปรบกวนคนอื่นไม่ไปขอให้คนอื่นก็ต้องมาเรียงเรา่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นธรรมอ่ะคำถามจากคุณโก้ค่ะแฟนให้ซื้อยามาฆ่าหนูใครจะบาบมากกว่ากันครับระหว่างผมกับแฟนไม่ทําก็ไม่ได้คนคนสั่งก็บาปคนทําก็บาป <c oughs> สั่งเขาก็ดีทําเองก็ดีคํถาถามจากคุณรุ้ง สตรโพราบค่ะการเจริญสติจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างไรครับก็อย่างที่บอกถ้าเรามีสติใจเราจะอารมณ์จะน้อยลงปัญหาส่วนใหญ่ของเราเกิดจากอารมณ์เราเกี่ยวกับความอยากของเราพออยากแล้วไม่ได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติเราจะควบคุมความอยากได้เราจะไม่มีเราก็จะไม่มีปัญหาเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีปัญหาตามมา คำถามจากคุณกิติครับตอนนั่งสมาธิการรมฐานสักสินาทีจะมีอาการขน ล, ลุกแขนขาชาสักครู่มันหายไปแล้วบางครั้งก็กลับมาใหม่อาการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับเออเป็นอาการธรรมดาเวลานั่งสมาธิมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันยังไม่สงบนีต้องนั่งต่อไปนั่งให้มันจิตนิ่งสงบแล้วมีความสุขก่อนจะสุขได้บางทีมันต้องผ่านอาการต่างๆเหล่านี้ไปก่อน เป็นเหมือนด่านเหมือนขึ้นทางด่วนต้องจ่ายค่าค่าค่าค่าทางด่วนก่อนนั่งก่อนจะเข้าสู่ความสงบได้บางทีต้องเจ็บต้องชาต้องอะไรก่อนแต่ถ้าเรานั่งไปเราไม่เราไม่ไม่ยอมแพ้เรามีสติกำกับใจไปเรื่อยเเดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งสงบแล้วเราก็จะมีความสุขคำถามจากคุณเปา วันไหนที่ผมตื่นสายผมก็จะเก็บังินวันละ20บาทแล้วรวมไปบริจาคทีเดียวผ่านการโอนเงินแบบนี้จะสามารถอุทิศบุญภายในใจหลังการโอนได้ไหมครับได้ได้เลยถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วมันไม่ได้เป็นของเราละเราเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจขึ้นแล้วสิ่งที่เราอุทิศไปก็คือความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกสุขใจอิ่มใจที่ คนที่ไม่มีร่างกายเขาสามารถใช้ใช้ใช้เศษได้ทันทีอ้าถามต่อคําถามก็คุณเบนจิค่ะศาสนาคริสต์ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ในทางศาสนาพุทธมีความเชื่อไหมคะว่าใครคือผู้สร้างมนุษย์ทางศาสนาพุทผู้ที่สร้างม น, นุษย์ก็คือตัณหาเนี่ยความอยากพอมีความอยากก็ต้องมาเกิด เราไม่มีความอยากก็ไม่มีการเกิดเอ็นทางศาสนาพูดนี่เราถือว่าความอยากคือเป็นตัวสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมาเยสัตว์ในใต้ภพนี้เกิดจากความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาหมลวละผู้ที่ทำลายภพชาติก็คือผู้ที่หยุดความอยากได้ก็คือพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์ นก็คือว่าถ้าพุทธพุทธคริสตหรืออิสลามเนี่ยการไปสวรรคไปสวรรค่อนข้างคือทำความดีไปสวรรคประมาณในี้คล้นยใกล้เคียงส่วนเด็กตาเกยอือคือศาสนาแต่ละศาสนาก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์เกี่ยวกับโลกนี้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนจีนชาวนักวิทยาศาสตร์จีนเขาก็วิเคราะห์วัลลังเขาก็วิเคราะห์ ส่วนใหญ่เขาก็จะได้ข้อสรุปเหมือนกันท้ายสุด ใ, ใกล้เขียนเลยก็กล้เขียงว <g ib li> ่ามันเรื่องเดียวกันไง <c oughs> แต่บางอย่างที่แต่บางอย่างที่มันลึกกว่านั้นนี่เขาวิเคราะห์ไม่ได้ศ า, า <c oughs> สนาศาสนาอื่นนี่วิเคราะห์ลึกกว่าขั้นระดับสวรรค์ไม่ได้ <c oughs> <ใน S 1> มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่มีความฉลาดมากกว่าที่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นได้ใช่อาจารย์พูดเส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรียกว่าหยาบหน่อยเลยก็เขาจะเป็นขั้นตอน เขาระดับนนะระดับสีเนี่ย<ช>เขาระดับสี<ช>ระดับทาน<ช>แต่เขาไม่ได้ไปถึงระดับภาวนาอ<ช>อีก<ช> อ, อย่านจาร์ผมก็ลองว่าแบ่งความสุขโอเคไ ป, ไปเรื่อยๆเนี่ยท้ายสุดถ้ามอ ง, อางาตามความพิาจาร์คือว่าการมีตัวตนไม่เกิดเกิดใหม่หรือเป็นดีที่สุดน่า ป, ปรับะมาณนี้ครับก็ใช่ัเพราะมันเกิดแล้วมันทุกข์ไม่ใช่อลยเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับ ต้องดินง้นรนต้องทํามาหากินเลี้ยงปากไม่ไมีจ บ, จบอย่างนั้นน้ําตาที่หลังเนี่ยถ้าเราเอามาสะสมมันมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรเลยคิดดูมันทุกข์ไหมคนเราเวลาร้องไห้มันทุกข์เพราะมันร้องไห้กันใช่ไหมน้ําตาเนี่ยที่เราหลั่งกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอก ว, ว่าถ้ามารวบรวมแล้วได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกนั้นการเกิดไม่ดีเกิดแล้วต้องทุกข์นั้นการไม่มาเกิดน่ะดี คำถามติดใจตลอดเขาพูดคนทั่วไปคือสมมติเมันเราไม่สบายต่างใช่ไหมบางคนก็ทนทุกทรมานรับทราบในอดีตทายบางคนสมมุติว่าไม่สบายอยู่แล้วก็ขึ้นไปนอนตัวเสียใจแล้วก็สิ้นไปเลยลักษณะแตกต่างกันจังก็ตายแบบสบายไม่ได้วุ่นวายกับตายแบบวุ่นวายทรมานต้องถูกเขาทิ่มเขาแทงเขาผ่าออแลต่มันก็ตายเหมือนกัน แล้วก็เจ็บนานกว่าคนที่ตายเร็วคนที่ตายง่ายจะไมถึงมูลเขาใช้พูดว่าคนที่เป็นลักษณะที่แบบขึ้นไปนอนแล้วสียชีวิตเลยครับอตี๋มีปุณทำไมต้องใช้คำาื่นอื่นก็เพราะว่ามันมั น, ม, นมันทุกน้อยกว่าไงน้อยกว่าอมันสุขมากกว่ามันทุกน้อยกว่าไม่ต้อง ม, มันทธรร ม, มัวเองไม่ทุต้อครอบคอบใช่ เขาพวกนี้จได้ยินบ่อยมากเลยมันก็เป็นเพียงแต่คําวิเคราะห์การพูดไปทางนี้นเ่แต่คนเรามันเลือกไม่ได้บางคนจะตายแบบไหนมันเลือกไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เราต้องตายไม่เหมือนกันและปฏิกิริยาต่อความตายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนตายอย่างสงบบางคนตายอย่างทรมานทุลายอารมณ์ทุลายอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาให้รับกับวิธีให้รับกับความตาย คนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเขาจะรู้จักวิธีรับกับความตายตายอย่างสบายตายอย่างสงบตอนที่คุท่านอาจารย์หลวงพ่อวายกมีเยอะท่านก็เลยอเร่อต่อเตรียมตัวตายมาอาก็เป็นือที่เรใช่ัอเพราะถ้าเราเตรียมตัวตายเรายอมรับความตายแล้วเราจะสบายเราจะไม่วุ่นวายได้จะไม่ยึดติดและขณะที่อยู่ก็อยู่อย่างสบาย จะยดติตอดเลาใช่น่นมนี่ติดก็รู้ว่าเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ครับมาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวถึงเวลาไปก็ไปเปล่าเปล่าไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปพีก็แนะนาให้เพื่ออ่านเลกคนก็บอทไมผมแนะนำเรื่องีรอ่าคนกลัวการงานกลัวความตายกั่ไม่ไม่กล้าคิดถึงความตายกันหรือคิดก็หาว่าเป็นคนคิดไปอย่งเงยงี้ยลบคิดไปใช่มองไในกระิมาก การจริงเยอการจริงมันเป็น positive มันเป็นมันเป็นปัญญาใช่ครับมผมท้ายสุดที่อ่านก็ถามหลวตาหลวงพ่อวิถวายท่านก็บอกว่าลองอ่านดีๆแลตั้งใจดีๆคนจะอ่านเรื่องนี้ได้ต้องมีสมาธิในระดบรับถ้าจิตไม่มีสมาธิอะไรนี่มันรับไม่ได้ใช่ใช่เพราะมันเหมือนบางคนมองถึงขนาดที่ว่าทำไมต้องอืต้องคิดถึงขนาดนะั้นอะรประมาณนี้น แ, ลแล้วก็แช่งตัวเองทำไมต้องงง เราคิดเรื่องตายเราไม่คิดเรื่องที่ทําทำในช่วงที่มีชีวิตอยู่ทำไมเรคิดเรื่องนี้ก็เพราะมันเป็นข้อสอบไงคนเราไม่ยอมมองความตายว่าเป็นข้อสอบอาจารย์ก็พูดถุงทั้งทั้งหลวงพ่อทั้งหลวงพ่อหล่งพุดคือการชีวิตเกิดขึ้นได้ตลเวลาใช่เราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสิบกว่าอะไรเงินที่ไหนเราเลิกเวลาไม่ได้เนี่เลือกเวลาสอบไม่ได้ข้อสอบนี้พูดดีกับเลอกเวลาสอบไม่ได้ใช่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวทําข้อสอบตลอดเวลาใ เหมือนสมัยก่อนเราเรียนทั้งสื่อครูคนบางคนที่ท่าไม่บอกเวลาท่านจะเรียกสอบวันนั้นเลยอทดสอบกว่าเราเตรียมทําเตรียมไว้ป่ะมันพอเจอครูแบบนี้เนี่ยนะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนมันจะเข้มข้นแต่รู้จริงแต่รู้จริงใช่แต่ไม่มีรู้สึกจะรู้จริงนั่นเป็นนั่นจะหงไม่ได้นี่เรื่องนันจริงที่พูดมาก็เหมือนใช้ชีวิตประจำวันจใช้ ไม่ประมาทคุณเจะบอกอย่าประมาทความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาข้อสอบมาหาเราได้ทุกเวลาเออราต้องเตรียมทำข้อสอบให้ได้เหมือนนักมวยต้องต้อมโชคเขาจะกําหนดวันชกเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นได้ทันทีออไม่ใช่นั่นแหละแล้วมันจะเห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องเสียหายหรืออะไร ถ้าศึกษาจริงๆแล้วมันกลับทำให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่อยู่ยังมีความสุขล ง, ลงพ่อไปไปประเทศที่ไห น, นรู้ว่าอยู่ที่นี่เป็นประจเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นี่แต่เนี่ยไปเทศทั่วทั่วทุกจังหวัดเนี่ยตอนนี้ทาสานวจอยู่เนี่ยไป3ามเประเทศแล้วก็4ีกว่าจังหวัดน่ไปช่วยได้เดยอะนะใช่ไม่องเดินทางแล้วสมัยนี้ไปให้เหนื่อยทำไมไปให้งโง่ทำไมใช่ เสียค่าน้ำมันเสียอะไรเดินทางคุยยุ่งยากวุ่นวายใช่ทางนู้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมในปลายทางเราก็ื่อเเดินทางการที่นี่ทุกคนมีเครื่องมือถือกันแล้วอยู่ตรงไหนก็ถึงเวลาสองโมก็เปิดดูได้เลยจรจริงๆก็ต้องพูดที่ดูฮาก็ช่วยได้เยอะได้ถ้ารู้จักใช้มันอทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือใช้ไปในทางที่ดีก็ได้ใช้ไปในทางที่เสียหายก็ได้ครับ เราจึงสบายไม่ต้องไปไหนก็ยังตั้งใจว่าจะเจอหลวงพ่ออี่วันนึีกครั้งถ้าเจอท่านอก็ตีได้นะน้ำก็พูดไปอืแต่ท่านต้องไปเรื่อยเพราะท่านต้องไปรับท่านต้องเดินสายบ่อยท่านเหนื่อยเพราะท่านไม่ใช่อีทีแบบเราเนี่ยอทีแบบเราไม่ต้องเดินสายใครอยากจะเดินสายต้องมาหาเราแต่เราไม่ต้องไปเดินไปหาเขา ใครจะมาหาเราเขารู้มาณได้ทุกวันเจอเราทุกวันอืมใช่แต่ผมว่ามันก็ดีช่วยได้เยอะแล้วก็ดีจริงท่านอยู่กับที่ก็ดีเพราะถ้าโยมคนไหนสะดกก็มาหาใช่เขารู้เราเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีที่จริงเป็นการบริหารจัดการที่ดีถ้าใครว่างสะดวกก็มาหาท่านสะดวกมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่คุณจะว่างก็ไม่รู้ไปก็ไม่ได้เจอกันใมีอีกไหมอะตามต่อ คำถามจากคุณสีสิริการจเจริญเมตตาบา ร, รมีต้องคิดไว้ก่อนหรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าคะเอ่อก็ต้องซ้อมไว้ก่อนสิถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราบิเลสมันจะเร็ ว, รวกว่าแทนที่จะช่วยเหลือเขากับ มืนเฉยไปเออไม่ช่วย อ, อแต่ถ้าเราสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยว่าใครเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือเขานะ่ะออออไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นหลักของมนุษยธรรมก็ต้องช่วยกันเช่นขาดอาหารขาดเครื่องนุ่งหม่มเช่นตอนนี้หนาวเขาไม่มีผ้าห่มอเงี้ยถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลาเราก็จะทำได้ถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าก่อนจวเสียดายเงินจะเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่ก็เลยสองจิตสองใจเ อ, อ เราต้องซ้อมด้วยก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวช่วยเหลือคนนะเราต้องมีเงินแบ่งไว้ส่วนงไว้สําหรับสองข้อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนต้องคิดไว้ก่อนถ้าไม่คิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันทันทีทันใดมันไม่มีเงินเตรียมไว้เพราะมีเอาเงินจะเตรียมซื้อของขวัญงานไปเที่ยวจัดงานปาร์ตี้งานอะไรต่ตางๆเงินที่จะมาช่วยเหลือคนที่เข้าเดือดร้อนมันไม่มีคำถามจากคุณคํานําหน้า ถ้าจิตเราปรารถนาที่จะสร้างบา ร, รมีในพรบพุทธเจ้าในองค์ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถ้าเราปฏิบัติตามที่พทธเจ้าสอนให้เจริญทานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเขขี่ขมมะบา ร, รมีพวกนี้ไปต่อไปเราก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ไปทำไมในเมื่อเราตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นพระพุทธเจ้าได้ในตอนนี้แล้ว ก็เป็นได้ในชาตินี้เลยถ้าไปสร้างบารมีแบบพระพุทธเจ้าก็อีกไม่รู้กี่อสงงหายกับก็จะไปทุกข์อีกไม่รู้กี่ล้านชาติเน้นตอนนี้รีบมาบวชมาปฏิบัติดีกว่าพุทธเจ้าสอนทางลัดเจอทางลัดและไม่ต้องไปสร้างบารมีให้เหนื่อยมาสร้างแค่สามตัวก็พอศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้ พาหลานกับพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้สิ้นเกเลตเหมือนกันคำถามจากคุณก๊อฟค่ะภาวนาจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจึงมาพิจารณาแก้ไขเช่นเรื่องอสุภะรู้สึกว่าเพลินด้วยการพิจารณาจนรู้สึกว่าเหมือนมีแสงสว่างคล้ายๆกับเพิ่งลืมตาแต่ไม่มีสีไม่มีแสงเลยสองมาดูมันเกิดที่ใจมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วหายไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ไม่เถื่อหรอกเวลานั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาเวลาจิตสงบแล้วให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาออกมาแล้วค่อยมาพิจารณาตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิตอนที่เราเห็นคนสวยๆรีบพิจารณาเลยรีบพิจารณาอวัยวะสับไตไส้ภูมิของเขาไม่ใช่เวลานั่งสมาธิพิจารณาสุภาษณ์พอมาเจอนางงามมองไม่เห็นนสุภาษเลยมันต้องเห็นตอนนี้เห็นของจริงนี่ เดินถึงอย่าเป็นปัญญากนั่งสมาธินี่เราต้องการสร้างพลังให้จิตมีกําลังพิจารณามข้าใจไหถ้าไม่จิตไม่นั่งสมาธิไม่นิ่งนานๆออกมาจิตมันจะไม่สามารถพิจารณาได้มันจะไปคิดแต่เรื่องของกิเลสแทนในเวลานั่งสมาธิห้ามพิจารณาให้นิ่งไปนานๆ น, นิ่งไปชั่วโมงสองชั่วโมงอย่าพิจารณาจะพิจารณารอจากสมาธิก่อน อยากสมาธิมาพิจารณาได้เลยอาการ 32, สาสิบสองซากศพสิบชนิดเนี่ยพิจารณาได้โดยไม่ต้องเข้าสมาธิเข้าใจไหมคำถามกับคุณลิซ่าค่ะเวลาไปซื้อปลาที่ตลาดปกติตนเองจะสั่งซื้อปลาที่เขาค่าแล้วแร่ไว้แล้วแต่แม่ค้าจะชอบบอกว่าให้เดินไปซื้อย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอา แต่พอกลับมาเขาก็จัดการทุกปลาแล้วนําใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้เราจะบาปไหมคะถ้าเรารู้ก็บาปเรารู้ว่าเขาจะต้องฆ่าแต่เขาไม่ฆ่าต่อหน้าเราก็เหมือนกับสั่งให้เขาฆ่าโดยปริยายก็อย่าไปซื้อถ้าเห็นว่ายังไม่มีของที่ตายแล้วก็ไม่ก็ไม่เอาถ้าเขาไม่มีของให้เราต่อหน้าต่อตาตอนนั้นเราก็ไปซื้อที่อื่นไปเลยหรือไม่ต้องไปซื้อมันไป มันก็รู้กันอยู่แล้วถนาก็บอาก็ห้ไปแล้วกลับมายังไม่้แกล้งถามเหรอไหอคำถามจากคุณปิติพัฒน์การจะการพิจารณาการยะตจาสติควรทำตอนไหนดีครับก็ทุกเวลานอกจากเวลานอนหรือเวลาในนั่งสมาธิเท่านั้นที่ทำไม่ได้เวลาอยู่ในสมาธิไม่ให้ทำเวลานอนก็ทำไม่ได้จะทำได้ก็ตอนนี้ ตอนที่เราตืนเนี่ยตอนที่เรากาลังทำงาน ары, หรือทำอะไรอยู่เนี่ยห<อ>เห็นใครสวยๆก็ดูสุภาพเขาดูอาการสามสิบสองเข้าไปค่ะคำถามจากคุณอื่นอยากให้พระอาจารย์ตอบคำถามค่ะข้อที่หนึ่งเคล็ดลับที่ทาให้จิตสงบได้ไวก็สติไงถ้ามีสติทั้งวันเนี่ยสติต่อเนื่องนี่นั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้ข้อที่สองถ้าต้องการหลุดพ้นจากวัฏจักร จำเป็นต้องปีกวิเวกไหมครับไม่จาเป็นละถ้าฆ่ากิเลสได้ก็ไม่ต้องปีกวิเวกถ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ก็ต้องไปปีกวิเวกเพราะปีกวิเวกมันจะฆ่าได้ง่ายกว่าถ้าอยู่บ้านมันฆ่ายากเพราะกิเลสมันเยอะอพวกเยอะเสียงรั่วเล้ามันเยอะถ้าไปอยู่ในป่านี่พวกกิเลสมันน้อยอก็จะฆ่ามันได้ง่ายกว่าเ <c oughs> อาเลยคำถามคำถามจากคุณสา เวลานั่งสมาธิลูกท่องพุทโธประกอบกับลมหายใจแต่ลูกยังไม่เข้าใจตรงที่ว่าต้องให้จิตตั้งมัน่นตรงนี้เราเอาจิตตั้งตรงพุทโธได้ไหมเจ้าคะถ้าถามอะไรผิดไปกับขออภัยเจ้าค่ะคือวิธีนั่งสมาธินี่ให้ตั้งมั่นเนี่ยตั้งได้หลายที่บางคนก็ตั้งที่ลมอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวบางคนก็ตั้งที่พุทโธอย่างเดียวบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องดูลม บางคนเขาตั้งอยู่ที่ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปพุดเข้าโทรออกนี้ก็ได้เน้นแล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาได้ดูว่าผลอันไหนอันไหนได้ผลดีก็เราก็เอาอันนั้นก็นแล้วกันถ้าดูลมอย่างเดียวแล้วมันสงบก็เอาอย่างนั้นถ้าพุดโทรอย่างเดียวแล้วสงบก็เอาอย่างนั้นอถ้าพุดเข้าโทรออกแล้วสงบก็เอาอย่างนั้นเลือกเอามีสามวิธีด้วยกัน